การปฏิบัติไม่ยากนะจริงๆเราง่ายมันเป็นการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามีกายกับใจร่างกายกับจิตใจเราไปอยู่ที่ไหนมันก็ตามเราไปด้วยเวลาเราจะรู้ระลึกรู้กายรู้ใจเราก็ระลึกได้ใครๆก็ทำเป็นที่ปฏิบัติไม่ได้สักทีเพราะชอบทิ้งกายทิ้งใจไม่สนใจมัน ถ้าใส่ใจมันสัหน่อยนะเราก็สามารถรู้สึกการู้สึกใจได้อย่างเรารู้ได้ไหมว่าตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกได้ไหมลึกลับไหมอุ้ยลึกลับกรรมฐานเป็นเรื่องลึกลับลึกลับ <laughs> หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้เปล่าแค่นี้เองเหรอยืนเดินนั่งนอนตอนนี้นั่งอยู่หรือเปล่าหรือว่าเดินเนี่ย ร่าง ก, กายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกก็รู้สึกได้ทุกคนอะแต่ไม่สนใจขนาดนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกหรือใจเฉยเฉยใครใจมีความสุขยกมือซิใครมีความทุกจิตใจมีความทุกยกมือซิมีไหมไม่ต้องเกรงใจนะมีทุกเหมือนกันนะใครเฉยเฉยเฉยเฉยมีความสุขเยอะ เฉยๆเป็นที่สองมีความทุกข์นิดหน่อยไม่กี่คนพวกที่เห็นทุกข์นี่สุขเฉอยจะเป็นพวกมีปัญญาแก่กล้าเห็นทุกข์อยู่ทุกขณะจิตเนี่ยจิตใจเราสุขหรือใจเราทุกข์มันก็รู้ได้ใช่ไหมมันลึกลับไหมเนี่ยจะลึกลับตรงไหนบางคนบอกดูจิตยากเป็นของลึกลับลึกลับอะไรโกรธเป็นไหมโลภเป็นไหม ฟุ้งซ่านใจลอยหดหูอิจฉากลัวเป็นหมดอนะ่ะกลุ่มใจกังวลใจภาษาไทยเนะี่ยร่ำรวยมากเลยแต่ละคำมีดีกรีมีระดับของความรู้สึกที่เข้มไม่เหมือนกันกังวลใจนะจกับกลัวเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือน เราจะรู้เราก็รู้ได้รู้ได้ทุกคนอยู่แล้วแต่ละเลยต่อไปนี้แค่ไม่ละเลยเท่านั้นแหละร่างกายหายใจออกก็ค่อยรู้สึกหายใจออกแล้วหายใจเข้านี่กำลังหายใจออกกาลังหายใจเข้าถ้าดูล่างกายนะมีคำว่ากำลังอู่เดี๋ยวนี้ร่างกายกำลังหายใจออกร่างกายกำลังหายใจเข้าร่างกายกำลังหันไปหันมาน่ร่างกายกำลังหยุดนิ่ง ร่างกายกำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนรู้สึกไปรู้สึกแค่นี้ไม่พอรู้สึกต่อไปอีกไอ้ตัวที่หายใจออกหายใจเข้าตัวที่ยืนเดินนั่งนอนตัวที่เคลื่อนไหวตัวที่หยุด น, นิ่งนเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเราเป็นคนดูร่างกายมันทํางานจิตเป็นคนดูเนี่ยฝึกอย่างนี้นะลําพังเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ายังไม่พอนะ ก็เห็นในร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเนี่ยถูกรู้จิตเป็นคนรู้เป็อย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะลําพังเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเป็นสมัตินะลําพังเห็นหายใจออกหายใจเข้าเป็นสมัติแต่ถ้าเห็นว่าไอ้ตัวที่พองตัวที่ยุบตัวที่หายใจออกหายใจเข้าตัวที่เคลื่อนไหวตัวที่หยุดนิ่งเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรานันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอย่างนี้ใช้ได้ คือเราจะมาภาวนามาเดินปัญญาเนี่ยมาดูกายเพื่อให้เห็นความจริงร่างกายไม่ใช่ตัวเรามาดูจิตใจเพื่อให้เห็นจิตใจมันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะถึงจุดหนึ่งมันไม่ใช่ของเรานะใจก็ปล่อยทุกวันนี้ใจงกใจก็ไปเอาของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ยืมพ่อแม่มานิดหน่อยใช่มต้นทุนนิดหน่อย ที่เหลยืมจากโลกกินอาหารเข้าไปกินน้ําเข้าไปหายใจเข้าไปค่อยๆเลี้ยงไอตัวนี้ให้โตโตขึ้นมาบางคนก็โตเกินขนาดนะบางคนเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่โตสักทีผอมแห้งอยู่กันนะแต่มันก็ยืมโลกมาใช่นะสุดท้ายคืนเจ้าของหมดเอาไว้ไม่ได้สักคนหนึ่ ง, นะงแล้วจริงๆร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเนี่ยหัดดูอย่างนี้เรียอเจริญปัญญาอยู่ดูนะไม่ใช่คิดเอา เห็นร่างกายตามความเป็นจริงเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราเนี่ยดูลงไปเรื่อยๆนะร่างกายไม่ใช่ตัวเรามาดูจิตดูใจสุขทุกข์ดีชั่วเป็นของผ่านมาแล้วก็ผ่านไป สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เลือกก็ไม่ได้ะจะเลือกถ้าเลือกได้ก็เลือกเอาแต่ดีๆเอาแต่สุขๆของเราสุขๆดิบๆมันเลือกไม่ได้เนี่ยดูของจริงนะความโลภเนี๋ยวก็เกิดขึ้นมาเอง เ, อเดี๋ยวหายไปความโกรธเนี๋ยก็เกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็หายไปมันเป็นของมันเองดูให้เห็นเลยไม่มีเราหรอกะ ดูมากมากเข้าพอรู้ความจริงกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีหรอกเป็นแค่ความรู้สึกหลอกๆเท่านั้นพอเราถอนความเห็นผิดว่ามีตัวตนได้คราวนี้ใครแก่ละใครเจ็บใครตายร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายใคร พ, พลัดพรากจากสิ่งที่รักใครประสบสิ่งที่ไมก่กใครไม่สมปรารถนาไม่มีเจ้าของเลยไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเรามีเขาเป็นแค่ความรู้สึก ความรู้สึกฟัดพลากความรู้สึกเจอสิ่งที่ไม่ชอบเป็นแค่ความรู้สึกทั้งหมดเลยเนี่ยพอดูไปเรื่อยมันจะมีแต่วัตถุก็มีแต่ความรู้สึกก็คือมีแต่รูปธรรมกับ น, นามธรรมานามธรรมาเป็นส่วนของความรู้สึกดูไปดูไปไม่เห็นมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาดูอย่างนี้นะความทุกข์จะหายไปเยอะเลยทุกวันเนี่ยเรารู้สึกตัวเรามีจรงิงๆถึงงดิ้นรนมากมายนะมีความทุกข์ขึ้นมาเยอะแยะเลย ไม่ยากนะแล้วสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากพอเราเห็นความจริงของรูปนามกายใจแล้วจิตวางลงไปนะมันยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะเลยมันมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขจากการเป็นอิสระเราไม่มีพันธะอะไรที่จะผูกพันอยู่กับรูปนามขันห้านี้จิตใจอิสระมีความสุขขันห้าเป็นตัวทุกข์ วางตัวทุกข์ลงไปแล้วแล้วก็ไม่หยิบขึ้นมาอีกฝึกไปเรื่อยแล้วโอ้บุญจริงๆเลยที่ได้เกิดมาแล้วได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าบุญมากขึ้นไปอีกที่ได้ลงมือปฏิบัติบุญที่สุดเลยที่ได้เห็นผลของการปฏิบัติเน พ, พวกเราเวลานี้ได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติเอาวิธีปฏิบัติก็คือรู้สึกกายรู้สึกใจ ร่างกายเป็นยังไงคอยรู้สึกจิตใจเป็นไงคอยรู้สึกจิตใจเราเป็นคนดูอยู่เราเห็นร่างกายทํางานจิตใจเป็นคนดูเห็นความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นจิตใจเป็นคนดูเราจะเห็นตัวเราไม่มีแล้วถ้าสูงกว่านั้นนะภาวนาสติปัญญาแก่กล้าขึ้นไปเองจะเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่นั่นคือตัวทุกข์กายนี้คือทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างทุกวันนี้เราเห็นว่าร่างกายเนี่ยทุกบ้างสุกบ้าง เมื่อมันยังทุกข์บ้างสุขบ้างเราก็จะเลือกเอาสุขเราจะเลือกหนีทุกข์ยังมีทางเลือกอยู่จิตยังดิ้นรนอยู่วันที่ปัญญาแก่กล้ารู้ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจะไม่เกิดการดิ้นรนของจิตขึ้นอีกแล้วจะดิ้นทําไมดิ้นจะหนีทุกข์เหรอก็มันเป็นทุกข์อ่ะจะหนีมันไปได้ยังไงไปไหนมันก็เอาร่างกายไปด้วยก็มันเป็นตัวทุกข์ของมึงยังไงมันก็ทุกข์จะหวังว่าร่างกายจะต้องเป็นสุขเหรอนี่ไร้เดียงสาเพราะจริงๆเป็นตัวทุกข์ เนี่ยพอปัญญาแก่กล้าแล ว, ว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์นะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจิตถึงจะปล่ยอยวางร่างกายและจิตปล่อยวางร่างกายได้นะจิตจะทรงสมาธิอยู่นะมีความสุขอยู่กับโลกนี้เทียบกับคนในโลกแล้วมีความสุขกว่ากันเยอะเลยเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีถ้าภาวนาต่อไปอีกเราเห็ น, นจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้นลวนทุกวันนี้เราเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์บ้างสุขบ้าง มีทางเลือกเมื่อมีทางเลือก arc, เราก็อยางเลือกเอาสุขเลือกหนีทุกอยู่หรือเห็นว่าจิตนี้ดีบ้างชั่วบ้างเราก็จะเลือกเลือกแกเอาดีอะไรต่ออะไรเนะี่ยอยากได้แต่ถ้ามันเห็นวนะ่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างไม่มีสาระทุกอย่างเป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นถึงทุกข์ล้วนๆเนี่ยกลายเป็นทุกข์ล้วนๆจะหมดความยึดถือกายจิตเป็นทุกข์ล้วนๆจะหมดความยึดถือจิตจะเข้าสู่อิสรภาพที่แท้จริงในขณะจิตเดียวเท่านั้น แตกหักกันในขณะเดียวเท่านั้นหลังอย่างนั้นชีวิตเปลี่ยนไปทั้งหมดชีวิตเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะไม่มีความสะเทือนสะดุ้งสะเทือนในใจเลยใจจะไม่กรเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงของเราใจกระเพิ่มทั้งวันด่วมไหมใครเห็นใจก็เพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเรื่อยๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ย ว, ยวทุกข์หมนอย่างี้ เห็นยังว่าหน้าเบื่อเห็นได้ยังว่าทุกเนี่ยถ้าเห็นซ้ำๆนะโง่แค่ไหนเห็นซ้ำๆมันก็หายโง่จนได้ทุกนั่นแหละมันจะโง่อมตะเป็นไปไม่ได้หรอกโง่ก็ไม่เที่ยงนะแต่มันฉลาดมันไม่ค่อยจะมาตอนนั้นเลยเอาส่งกันบ้านมาสัการครับหลวงพ่อคือจิตผมผมเห็นจิตหนีไปคิดประจํานะฮะแต่มันไม่ยอม เจริญปัญญาครับหลวงพ่อมันจะแค้นย่าครับจิตนี้ไปคิดเห็นไหมมันหนีได้เองเห็นครับนั่นแหละเดินปัญญาอ๋อจะไม่เห็นอารมณ์โกรธดีใจเสียใจเท่าไหร่นะะไม่มีเพราะอะไรเพราะเห็นตั้งแต่ต้นทางก่อนจะโกรธได้ก่อนจะโลบได้นะต้องหลงก่อนถ้าไม่หลงก็ไม่โลภไม่โกรธหรอกอันนี้คือก็ก็ดูอย่างนี้ก็ดูอย่างนี้แหละเห็นไหมว่ามันหนีไปคิดได้เองครับใช่เนี่ยดูอย่างนี้นะปัญญาเราแก่กล้าสติเราดี เราเห็นตั้งแต่ต้นทางของการทํางานคือการที่หลงไปถ้าหลงไปแล้วไม่รู้เนี่ยราค่าโทรศส์นี่ก็เกิดดีอย่างนี้ใช้ได้บครัแต่ไม่เจริญตลอดหรอกนะถึงจุดหนึ่งก็เสื่อมนะเสื่อมก็ไม่เป็นไรเสื่อมว่าทำขอเราเองมันก็เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึงจุดหนึ่งอยารู้ว่าไม่ใช่เราเราบังคับไม่ได้ถ้าภาวนานแล้วเจริญตลอดเนี่ยอันตรายมากเลยเพียนมรสการค่ะ เ, เห็นจิต ฟุง้งซานเยอะค่ะแล้วก็งงลงไม่คิดคแล้วก็เป็นหลัติดเพ่งค่ะแล้วก็แต่ว่าจิตมันยังอยู่นอกๆ อ, อยู่ค่ะโอ้รู้หมดทุกอย่างเนาะแต่ไม่รู้ตัวแล้วจะทํำยังไงเใช่ไหมประโยค่ <c oughs> ประโยชสุดท้ายแล้วจะทํำยังไงทีแรกไม่รู้สภาวะก็หันรู้สภาวะพอรู้สภาวะจะทํำยังไงดีไม่ทําอะไรสักอย่างนะรู้อย่างที่มันเป็น ถ้าใจอยากทำเรื่องมินดีดีร้ายให้รู้ทันนียความดีดีนได้ดับนะเราก็จะรู้สภาวะในความเป็นกลางอา้าวราชการหลวงพ่อค่ะคุ้มซานคิดตลอดเวลาค่ะคิดไม่เป็นไรถ้าไม่คิดเลยปัญญาก็ไม่เกิดนะจริงจังไหมเวลาเราคิดนะบางทีก็เกิดสุขเกิดทุกข์ใช่ไหมบางทีก็คิดไปก็โกลภโกรธหลงเราก็จะได้เห็นเนี่ยสุขทุกข์โลภโกรธหลงไม่เที่ยง งั้นไม่ใช่ฝึกให้ไม่คิดนะบางคนนี่งีเง่ามากเลยบอกอย่าไปคิดอย่าไปคิดไม่คิดได้ไงจิตมีหน้าที่คิดแต่เมื่อคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้ทันนะแล้วก็มีมานะเยอะค่ะเออดีคนไทยอชอบตั้งชื่อลูกว่ามานะไม่รู้ว่าแปลว่ากิเลส น, นะรู้จักไหมคนชื่อมานะเมื่อก่อนเด็กเขาเรียนนะมานีมานะเลย ครับกลับมาสักการหลวงพ่อนะครับ <c oughs> เวลาทําสมาธิจิตมันชอบใส่ครับทำไม่ได้นะให้รู้ว่าใส่อย่าไปอยากหายรู้เล่นเล่นเคล็ดลับของสมาธิคือความสุขนี่เห็นแก่ใส่เราดูไปอย่างสบายใจครับผมอ ย, อย่าไปเกลียดมันครับผมแล้วก็มีปัญหากิเลส ช, ชอบครอบจิตอะครับเออให้รู้ทันดูเขาไปตรงตรงเวลากิเลสครอบจิตนะไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคิดแก้ ดูเข้ตรงๆว่าตอนนี้มันครอบอยู่ต้องกล้าหาญนะผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายด้วยกิเลสครอบจิตเนะ่ที่อารมณ์เศร้าๆครอบอยู่ครอบทั้งวันเลยแล้วก็อีกพวกหนึ่งพวกติดสมถะมีแต่ปิติปิติครอบจิตทั้งวันเลยอย่างเงี้ยเห็นแล้วคันไม้คันมือครับแล้ววิธีดูเข้าไปตรงๆอครับผมแล้วก็มีปัญหาอีกตัวหนึ่งคือหลังจากมี ตา ม, มาราคารุานแรงแล้วจิตมันเศร้าหมองนะครับถูกต้องเป็นปกติมันจะเบี่ยงนะบางทีถ้าราคาแรงเนี่ยกลายเป็นโทสะนะกลับข้างกันครับผมแล้วพปปกติครับหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนําที่จะใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นไหมครับไม่มีหรอกขอบคุณครับทําไมหลวงพ่อว่ามันไม่มีรู้ไหมเพื่ชีวิตประจําวันเพื่อจะดีขึ้นอนะดีก็ไม่เที่ยง รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละดีที่สุดแล้วมีชีวิตยอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละสมบูรณ์ที่สุดแล้วเอาว่ามาผมรายงานการปฏิบัตินะครับก็ทุกวันผมก็ปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็เจรอสติในชีวิตประจําวันครับก็เห็นว่าบางช่วงถ้าเรามีสมาธิดีนี่ก็จิตปลอบหลงโล่งเบาก็สามารถจะเห็นธาตุขันทําทงานได้แล้วก็บางช่วงเห็นใจรักแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเห็นจิตผมมันชอบกด คือจิตมันอยากดี อ, อ, อยากดีก็กดแล้วก็เพ่งเอาไว้เป็นออช่วงๆออครับดีที่รู้ทันนะเพราะถ้าติดเพ่งอยู่ไปไม่รอดหรอกติดเพ่งไม่ใช่เอาดีเราไม่ได้มุ่งภาวนาเอดีพวกภาวนาให้เห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราหรอกนะอย่าเข้าไปแทรกแสงมันก็ก็ช่วงหลังก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนนี่เราชอบเข้าไปคลุกมันคือ อ, อยากให้หายช่วงหลังก็ปล่อยมันไปก็รู้มันไปก็สั้นลงสั้นลงตอนนี้ถูกต้องครับความทุกข์ก็รู้สึกสั้นลงแล้วก็น้อยลงารับ ถูกต้องแล้วมีอะไรที่ผมต้องปฏิบัติเพิ่มเติมครับไม่มีนะปฏิบัติอย่างนี้ไปนะครับจะทำไปนักปฏิบัติเนี่ยชอบคิดว่าทําไงจะดีกว่านี้ทําไงจะดีกว่านี้นะไม่มีหรอกมีแต่รู้ลงปัจจุบันไปด้วยจิตที่เป็นกลางไม่มีเกินนั้นหรอกรรถ้าเกิดนั้นน่าเป็นส่วนเกินทั้งสิ้นเลยไม่ว่าเราคิดว่าปฏิบัติแบบนี้ดีนะพอเราลงมือทําไปสักพักหนึ่งนะนึกว่าดีพอทำไปนานนิดหนึ่งนะจะเห็นแล้วไม่ใช่อีกแล้วจะเป็นอย่างทุกอยาย เห็นไหมทางนี้แหละถ้าจะดีดีดอ้างไม่ใช่อีกแล้วเอาใหม่หาทางใหม่ครับสิ่งที่เข้าใจอยู่ตอนนี้คิดว่าเป็นอย่างนี้พอพิบัติช่วงหนึ่งไอ้ที่เข้าใจมันไม่ใช่แล้วะน่าอย่างนี้ของจริงถ้าประเภทใช่แน่นอนเนี่ยผิดแน่นอนงั้นซีดีหลวงพ่อนะฟังไปเถอะความเข้าใจเราไม่เหมือนเดิมหรอกเขาบอกว่าเขามีถามว่าคือ เออนั่นจะภาวนาแล้วเขาจะเห็นตัวามานะอืเห็นใจขี้ขี้ลำคันครับน<อ><ร>ั่นแหละดีผมอยถามว่านี่พอละถูกไหมถูกเพราเรามีมานะเราเป็นคนขี้ลาคัญเพราะมันเกิดขึ้นเรารู้ถูกแล้วไม่ได้ฝึกให้หายแต่ฝึกให้เห็นเลยว่ามันเกิดได้เองมันมาได้เองมันไปได้เองมันไม่อยู่กับที่ ถ้าฝึกไปเห็นต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งจิตฉลาดมันจะรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนได้มาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปงั้นต่อไปอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะไม่หวั่นไหวอีกแล้วเพราะจิตมันฉลาดมันรู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวปฏิบัติแล้วจะมีความสุขเยอะเลยนะเขาเพราะว่าเขาพานะเห็นกลเห็นใจตัวเองแต่ไม่แต่ไม่รู้ว่าอันนี้คือรู้สึกหรือความคิดครับ ให้เขารู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปให้ใจมันคิดแหละแต่คิดไปแล้วมีความสุขก็รู้ทันนะคิดคิดไปมีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้ทันเนีย่ยเห็นเลยทุกอย่างอยู่ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเนี่ยคอยรู้ทันใจของตัวเองไปมันจะโลบกรดหลงอะไรก็รู้ไปห้ามความคิดไม่ได้นะให้มันคิดไปแล้วรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นครบ พราะว่าปั น, ปนชวนเขาจะมีความรู้สึกตัวจะโตเรื่องแต่ปันช่วงก็ไม่มีครับไม่มีอะไรนะ ม, มีความรู้สึกตัวอ๋อเป็นปกติแหละมันรู้สึกไม่ได้ทั้งวันะ่ะถ้าพยายามจะรู้สึกทั้งวันจะกลายเป็นนั่งเพ่งเอาไว้เงินรู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรแต่เวลาเผลอไปอย่าให้เผลอนานนักก็แล้วกันถ้าเผลอไปแล้วโกรธขึ้นมาโลภขึ้นมาอะไรก็รู้ไวๆหน่อยเขาจะขอ คำแนะนำจากหลวงพ่อครับเวลาฝึกฝึกไปตามธรรมชาตินะไม่ต้องรีบร้อนอะไรใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหละแล้วก็เห็นความรู้สึกของตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ได้ไปทำอะไรสักอย่างเ่ยไม่ต้องทำอะไรที่ยุ่งยากหรอกการเรียนธรรมะเป็นของธรรมดาที่สุดเลยถ้ามีปัญหาจะมีข้อถามมีสองข้อข้อที่หนึ่งคือเวลาเขา ดูคือเวลาเขาต้องหงไปก่อนเจึงรู้เขาอยารู้ว่านี่ถูกไหมถูกต้องหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงมันมันมันผิดธรรมชาตินะจะหลงไปรู้ไปมันเป็นไปไม่ได้การดูร่างกายเนี่ยดูเดี๋ยวนี้ได้นะอย่างมือเคลื่อนไหวเนี่ยเรารู้เดี๋ยวนี้ได้ว่ามือเคลื่อนไหวแต่การดูใจเนี่ยหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธลบไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภ แล้วเราจะเห็นว่ามันโกรธได้เองมันหลงได้เองมันโลภได้เอ ง, ม, ง, เองมันทํางานได้เองเนี่ยดูจนกระทั่งเห็นมันทํางานเองไม่ใช่ดูเพื่อให้มันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะหลงก็ได้แต่เห็นแล้ว่ามันหลงได้เองอย่าให้หลงนานเท่านั้นแหละขออ้อข้อสองคือท่านอยากจะถามว่าเวลาท่านร่างกายหยุดนิ่งเช่นนั่งสมาธิหรือก่อนนอนท่านจะเห็น ใจเคร่งหวะดเยอะมากท่าถามว่านี้ถูกไหมครับถูกแล้วก็ดูไปเรื่อยนะจนกระทั่งนอนหลับไปเลยก็ได้นะพอตื่นขึ้นมาเราก็เห็นใจมันเคลื่อนขึ้นมานะแต่เดี๋ยตื่นนะเคลื่อนขึ้นมาแล้วค่อยรู้สึกร่างกายทีหลังด้วยซ้ำไปท่านอยากจะขอหลวงพ่อช่วย เ, เพิ่มเดิมอะไรไหมครับต้องทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันเวลาใจมันไหลไปใจมันหนีไป งั้นใจจะฟุ้งมากไปเพิ่มสมาธิแต่สมาธิชนิดที่ว่าจิตไหลแล้วรู้นะไม่ใช่สมาธิที่บีบตัวเองให้ซึมๆมลงไปคนจีนนี่มีลักษณะเด่นนะเขากล้ารู้สึกไหมกล้าพูดล้าแต่ไม่เก้าร้าแล้วก็ดูอ่อนโยนนะแต่เขาไม่อ่อนแอ <c oughs> น่าดูนะน่าดูจะต่างกับพวกตะวันตก พว ก, น, กนี้กูแน่กูแน่แน่ซะเท่าไหร่จ้ะแน่แล้วไม่พ้นทุกในมสสรดกค่ะหลวงพ่อ อ, อ, อ, อยู่ฝรั่งเศสค่ะอจะขอคําแนะนําในการปฏิบัติค่ะเพราะว่าวนอยู่ในอ่างมานานเพราะว่าสมัยก่อนตอนนั้นร้อนกว่านี้แต่ว่าไม่แน่ใจไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยตามดูความาร้อนอาจจะเป็นเพราะว่าอายุมากขึ้นก็เลยเย็นลงหรือเปล่าจิตมันไม่เหมือนเดิมหรอ กายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งนะความรู้สึกกับใจก็คุลราันกัน <Okay. S 1> ฟังซีดีหลวงพ่อไปแล้วก็รู้สึกตัวดูกายดูใจไป อ, อยังจะขอวิหารละทำได้หรือเปล่าคะช่างคิดเรื่องไงเป็นคนประเภทไหนฟุ้งค่ะฟุ้งนะฟุ้งก็รู้ทันจิตไป <Okay. S 1> จิตดีจิตร้ายอะไรก็ร่วมไปไม่ห้ามมันหรอก <Okay. S 1> ความฟุ้งซ่านเนี่ยจะทาให้จิตเนี่ยเปลี่ยนแปลง แต่ละมีสติเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตนั้นเราได้ประโยชน์จากความฟุ้งซ่านนะแต่ถ้าจิตสงบเลยไม่ยอมเปลี่ยนเลย เ, ยเรามีสติรู้ทานกี่ปีก็เหมือนเดิมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยได้แต่ความสงบเพมือนฟุ้งซ่านแหละดีแล้วกราบขอพระคุณค่ะกราบมาสการครับหลวงพ่ อ, อวันนี้มาส่งการบ้านครั้งแรกครับปฏิบัติโดยดูร่างกายหายใจครับ แล้วอยากทราบว่าทําถูกไหมครับไปดูเรื่อยๆนะครับดูร่างกายหายใจไปถ้าใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจมีกิเลสมีอะไรขึ้นมาก็ค่อยรู้เอาแต่ถ้าดูร่างกายหายใจแล้วก็ใจก็นิ่งตลอดอย่างนั้นแสดงว่าเพง่งใจนิ่งไหมนิ่งอยู่ครับแ ต, แต่บางครั้งมันก็เพ่งแล้วก็ลงไปคิดแล้วเออลงไปคิดสับ้างก็ดีแล้วล่ะดีกว่าเพ่งไว้นะครั บ, รบขอการบ้านหลวงพ่อหน่อยครับ อย่าไปเพ่งมันสิเพ่งเพราะเราอยากดีนะทำกรรมฐานได้สบายๆนะอย่างดูลมหายใจไปนะเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายถ้าใจหนีไปคิดจะรู้ทันฝึกไปเรื่อยๆเห็นกายทํางานเห็นใจทํางานอย่าไปบังคับให้นิ่งนะครับครับการรับสุขการหลงพ่อครับผมรู้สึกตัวเองว่า เปลียมาหลาแนวทางนะแต่ว่าตัวเองค่อนข้างเป็นคนไม่ค่อยคงที่ก็เลยเไม่แน่ใจว่าจะให้พระาอาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยหนึ่งว่าผมควรจะวิปัสสนาในแนวไหนแต่เคยดูเวทนาก็ดูเวทนาเพื่อให้เห็นว่ากา ย, านนาานนยก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งจิตเก็อันหนึ่งแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปกายก็ทําหน้าที่เวทนาก็ทําหน้าที่จิตก็ทําหน้าที่ดูเวทนาต้องใช้สมาธิเยอะ ครับของผมนี่บังเอิญเวลาบางทีสมาธิเนี่ยไม่ค่อยคงที่ฮะบางวันก็ได้วันก็ไม่ได้เลยเนยนะสมาธิมันไม่มั่นคงพอดูจิตไปจิตเราวักแวกวักแวกดูง่ายครับผมนะแล้วผมควรจะมีอะไรทํำก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนั้นแล้วก็รู้ทันจิตไปครับผมหนูเพิ่งมาเป็นครั้งแรกอในทีนี้หนูก็ปฏิบัติ อยู่ที่บ้านแล้วก็ปฏิบัติแบบฟังผ้าจาย์บ้างแล้วก็ฝึกมาจากครูบาอาจารย์องค์อื่นด้วยทีนี้หนูก็เลยจะยอยากจะถ่ายเรียนถามว่าคือตัวหนูเองอะค่ะถ้าเผื่อนิ่งๆหรือว่าไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยจะดีแต่พอพอมันมีเหมือนจุดสตาร์ทนะคะก็คือได้เริ่มพูดในเรื่องสิ่งที่ตัวเองอยากพูดเนี่ยมันจะไปยาวเลยค่ะอย่าไปยอมมันหนูหยุดมันไม่อยู่พระอาจารย์ถ้าไม่จบเรื่องไม่ยอมจบเอางี้เราทองคาถาไว้ เอาไหมคาถาไม่พ่อยเพ้อนะอีบ้าน้้ำลายบอกอย่างนี้เลยนะมันหยุดเลยนะหยุดเลยใช่ไหมคะค่ะหมายถึงว่าพอพูดพูดไปเนี่ยใช้ตรงนี้เลยใช้ตรงนี้เลยอ๋อหนูก็เลยว่าเผื่อจะมีวิธีการที่ว่าเราจะเห็นมันก่อนที่จะเริ่มไปพูดใจมันโลภใจมันอยากนะแต่ถ้าไม่กระโจน้าไปลาท่องคาถาเลยค่ะ ใช้ตอนนั้นจ ะ, จะเจริญวิปั ส, สนาไม่ไหวแล้วเพราะว่าสติไม่มีแล้วสมาธ <ขะ S 2> ิไม่มีนะ อ, อนใช่ถึงพอมันหลุดไปแล้วมันยาวแล้วใช่ไหมต้องใช่ใช่ท่องค่ถาไว้ขอบพระคุณค่ณะเพราะว่าอยู่ในคอสใจสงบแต่อยู่ในข้างนอกใจจะวุ่นวายเขา อ, อยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับเราไม่ได้ฝึกเอาสงบหรอกเราฝึกให้เห็นว่าใจนี้เป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็วุ่นวาย เราไม่ได้ภาวนาเพื่อหนีโลกนะแต่เราภาวนาเพื่อจะอยู่กับโลกได้โดยไม่หวั่นไหวไม่ใช่ภาวนาแล้วหนีไปอยู่คนเดียวแล้วก็สบายอยู่นันอย่างนั้นเรี่ยภาวนาไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นออกมาอยู่กับโลกเนี่ยถ้าใจไม่ชอบหรือว่าใจไม่ชอบอยู่ตรงไหนก็ต้องภาวนาให้ได้กล่าวณสทานท่านอาจารย์ครับคือผมไม่ได้มีโอกาสมาพบท่านอาจารย์เป็นครั้งแรกครับ ในปัจจุบันผมจเจริญสติในชีวิตประจําวันอแล้วก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติในรูปแบบสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าใช้วิธีแบ่งชีวิตออกเป็นช่วงๆเอาครับก็อย่างเช่นถ้าจะาขับรถถ้าติดไฟแดงก็จะใช้ดูนั่งดูลมหายใจระหว่างรออืแล้วก็อย่างเดินเข้าห้องน้ําก็ใช้วิธีเดินดูกายมันไปห้องน้ําแทนนะอืแล้วก็อยากจะขอการบ้านท่านอาจารย์ครับอันนี้มันใช้ได้ชัว่วคราวนะ ถึงจุดที่การปฏิบัติเราละเอียดขึ้นไปเนี่ยมันต้องการสมาธิที่ประณีตกว่านี้นะงั้นเราเริ่มฝึกไว้ตั้งแต่วันนี้แบ่งเวลาสักวันนึง า, านาทีทำในรูปแบบนะจะพุโทโธจะหายใจอะไรก็ได้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่หลงไปจะทำให้ได้กำลังมากขึ้นนะพังจเจริญสติในชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะไม่พอนะแล้วผมมีข้อบอกพร่องที่ต้องแก้ไขตรงไหนครับ ต้องไปดูเอานะเราก็มีสติปัญญาอยู่รู้ว่าอะไรควรจะแก้ไขไปดูเอาไม่ต้องให้บอกทุกเรื่องหรอกนะครับโตแล้วเนี่ยดูตัวเองออกไปดูเอาคร<ะ>ับอะไรดีอะไรไม่ดีก็รู้อยู่แล้วละนะกรมน้การหลวงพ่อค่ะอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอะ ดูนะร่างกายมันทํางานร่างกายมันยิ้มร่างกายมันเดินนี่ยคอยรู้สึกในร่างกายบ่อยๆนะเรารักสวยรักงามอยู่งั้นดูกายก็ดีเหมือนกันนะแต่มันจะฟุ้งคิดเยอะอะค่ะเนี่ยพามันดูร่างกายบ่อยๆอย่าไปดูจิตดูใจมันฟุ้งเกินดูไม่ไหวอ๋อค่ะให้ดูร่างกายมันทํางานร่างกายมันเดินร่างกายมันกวาดบ้านอะไรเงี้ยดูร่างกายนึกถึงร่างกายบ่อยๆ นะสมาธิจะเพิ่มขึ้นค่ะเขาบอเขาจะเห็นเห็นจิตจะเห็นจิตพูดได้จิตพูดว่าจะเชื่อหลวงพ่อครับเออจะเชื่อจะไม่เชื่อพ่อต้องรู้ทันมันนะแต่ว่าไม่ว่าจิตพูดอะไรก็อย่าไปเชื่อมันนัต้องดูเหตุผลนะบางทีมันหลอกเราก็ได้ให้รู้ทันความรู้สึกของเราไว้อย่าไปสนใจเรื่องที่มันพูดนะ รู้ทันความรู้สึกเช่นเราโกรธขึ้นมาเรารู้เราโลภขึ้นมาเรารู้ฟุง้งซ่านเรารูนะ้มีความสุขมีความทุกข์เรารู้ส่วนมันจะพูดอะไรไม่สําคัญหรอกนะเรื่องราวที่พูดเป็นแค่สมมติบัญญตัติสภาวะที่แท้ จ, จริงคือสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยให้รู้ทันเขาจะออขอหลวงพอ่อว่าเขาต้องควรเพื่อมาอะไรไหมครับภาวนาไปสบายๆนะถ้าพยายามมากเดี๋ยวเสีย ให้เป็นธรรมชาตินะใช้ชีวิตธรรมดาๆเราก็เห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจไปด้วยดูไปสบายๆเชิญกลับบ้าน